บทภาชณีติการนิสักคิยาปาจิตตีห้าร้อยเเป็นการซื้อขายภิกษุสําคัญว่าเป็นการซื้อขายต้องอบัตินิสักคียาปาจิตตีเป็นการซื้อขายภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตินิสักคียาปาจิตตีเป็นการซื้อขายภิกษุสําคัญว่าไม่ได้เป็นการซื้อขายต้องอบัตินิสักคียาปาจิตตีทุกๆุกกฏไม่ได้เป็นการซื้อขายภิกษุสําคัญว่าเป็นการซื้อขาย ต้องอาบัตรทุกกฏไม่ได้เป็นการซื้อขายภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัตรทุกกไม่ได้เป็นการซื้อขายภิกษุสำคัญว่าไม่ได้เป็นการซื้อขายไม่ต้องอบัต